บันทึกที่4ขณะจิตที่บรรลุมรคผลตามหลักที่ว่าในขณะที่บรรลุอริยมรรคแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้ฌานมาก่อนจิตก็จะเป็นสมาธิถึงขั้นอัปปนาคือถึงระดับฌานในเรื่องนี้สำหรับผู้มีพื้นความรู้ด้านอภิธรรมพึงดูลำดับกระบวนการทำงานของจิตในตอนบรรลุมรคผล คืออปนาชวนาวาระแห่งมักค่าวิถีของพระวิปัสสนาญาณิกตามในยะาที่ท่านแสดงไว้ในอัธกถาดังที่ถอดความออกเป็นแผนพังได้ดังนี้ในที่นี้แต่ละคำมีลูกศรชี้ไปหากันนะครับสังขารูปเปกขายานภวังมโนทวาราวัชนะบริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภู มักคจิตผลจิตภวังหรืออีกด้านหนึ่งสังขารุปเปกขาญาณผวังมโนทวาราวัชนะอุปจาระอนุโลมโคตรภูมัคคจิตผลจิตภวังบริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภู เป็นกามาวจรชวนะมัคคจิตพลจิตและผวังเป็นโลกุจระอัปปนาชาวนะส่วนลำดับจิตของสมถยญานิกอาจแสดงคร่าวๆได้ดังนี้ซึ่งตอนมัคคาวิถีเหมือนที่กล่าวมาแล้วจึงไม่แสดงรายละเอียดพวัง ชาณวิถีผวังวิปัสนาวิถีผวังมรกควิถีผวังวิปัสนาวิถีนี้เป็นการแสดงแบบคลุมคุมความจริงมีการตกภวังได้แล้วๆเล่าหนีย่ยวระวงังหลักการที่ว่าจิตที่บรรลุมรคผล